เวลาจะเรินหรือศึกษาว่าทมคำสอนของพระพเจ้านั้นน่ตั้งหลักวิธีคิดหรือทำความเข้าใจให้ให้ชัดลงไปถ้าไปเชื่อมโยงต่ออีกหน่อยก็คือว่าศรัทธาใน ต, าตาถาคตภูธิศรัทธาศรัทธาในการเกิดขึ้นในเชื่อในการปัญญาจะรุ้ดีกว่าผู้มีพระเจ้าที่ท่านพระน่าประสิิ์ตอบริยมลินีบอกว่าอุปมา อุปมาบอกว่าตัวศรัทธาเนี่ยที่เป็นสัมปักขันธานัทธามีลักษณะเป็นอย่างไรก็คือตัวสัมปักขันธานัทธานั้นก็มี ล, ลักษณะที่แรลนงไปเป็นแล้ไปไหนก็ต้องบอกว่าว่าอุปมาเหมือนกับพโยขวจรเห็นจิตของภิกษุเราอื่นพ้นจากกิเลสใช่ไหมถ้าถามบอกว่าราคะโสาบมุมหาเนี่ย ถ้าพระโวดาบานท่าน้าสักยติทีวิจิตริชาสีรัพต า, าปามาจะถ้าตามในญาติของพระวิธรรมเนี่ยละทิถีกับวิจิตริฉาได้หรือพูดให้ช้าละไปก็คือทิถีกับตัดสัมยุทธะจิตสิ่งจะจะสึกที่ประกอบแล้ววิจิตริชาสัมยุทธะจิตหนึแล้วก็ยังไปละกลุ่มของที่ถีวิตด้วยหรือกลุ่มโทสะเป็นต้นด้วยและ้ะสัมยุทธะธเป็นต้นด้วยที่เป็นอภยัยธมเนียรที่นําไปสู่ไป ท่านจะรับกลุ่มกิเลสเหล่านั้นทั้งหมดที่เป็นาาปัจจัยคาลุบกายภูมิได้ทั้งหมดเมื่อกรารญาณมุทิตจอมทั้งหลาย ม, มาศึกษาวิธีทำทางสอนของพระบรมศา ส, าสดาได้ทราบกระแสะจิตของพระโสดาบันอย่างที่แล้วว่าพระโสดาบันท่านไม่เกิดเป็นสัตว์รกไม่เกิดเป็นเ ป, นเปนรอสัคายและสัตว์ดิบฉนพระโสดาบันนั้นะะจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเนี่ยนกะ็หมายความว่าพระโสดาบันจะไม่มีเพราะคิดแปลอรู้กระแสจิตของพระโสดาบันทีนท่านตัด ราคาโศมาหะได้ที่เป็นส่วนของการที่จะลงไปยาภูและประวัติตรที่ยืดเยื้ออย่างยาวนานอย่างยาวไกลจงคดมาเหลือเจ็ดไม่เกินเจ็ดที่บอกความทุของกุลชนทั้งหลายเหมือนกับเหมือนกับน้ำในมหมาสมุทรเหมือนกับแผ่นดินทั้งโลกแต่ความทุของพระสวสดาบาลนั้นเหลือน้ำเพียงเจ็ดหยดเท่านั้นถ้าเราจะเป็นมิต น, น้ํำเนี่ยออกจากมหาสมุทร น้ำหมดเมื่อไหร่นั้นก็คือว่าัดตทุกสิ้นเมื่อนั้นแต่คนที่จะเป็นพระสวสดาบาลนั่นแปลว่าตัดความทุกข์ไปหมดเลยก็เหลือน้ําในทะเลหรือในหหาสมุทรทิ้งเหลือเจ็ดจุดหรือถ้าเอาแผ่นดินหรือเอาโลกใบนี้มาตั้งมาวัดในโลกใบนี้ไปเสร็จก็คือว่ามีเม็ดหินเม็ดกว่าเยอะไปหมดเม็ดกว่าเม็ดหินกวาดและหินที่อยู่ในในโลกใบนี้เหลืออยู่เจ็ดเม็ดนอกนั้นก็จัดได้หมดแล้วนั่นคือความเหลืออยู่ของทุกของผู้ที่เป็นพระสวัสดิ แล้วกระแสจิตของท่า น, นที่รัะราคาุสาวะโมหาได้มัดของท่านที่เกิดขึ้นการประชุมมาดของท่านละได้เพราะท่านคิดอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านเห็นจิตของพระโสดาบันท่านเห็นว่าพระโสดาบันท่านละกี่เรศอะไรท่านมีความเข้าใจเมื่อศึกษาอย่างนี้ไปเสร็จเมื่อเราท่านทั้งหลายที่ไปศึกษากันเนี่ยเราก็ไปเท่าวทิฏฐิขัตตาวประยุติจิตสเจรศิกที่ประกอบนะละได้อย่างเด็ดขาดแล้วทิฏีิขัตตาวิประยุติจิตสเจรศิกที่ประกอบ แล้วก็โทสะภุรจิตสองเจสิกุปกอิมห์ที่เป็นอภายะธมันิยะที่นำไปสู่อภัยภาาูมิสศวรรษบาัเทระเ่้าท่องไปเสร็จแล้วมันเฉือยเาจไหมเพ้ท่องแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรอย่รับได้รับด้มาเถียงกันเลยนะหรือมีรับผิดรับถกว่าอะไรยนี่เขาเรียกว่าไม่เห็นไม่เห็นความคิดของทสวรรษไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้ตัของความทุกข์ที่เราต้องไปประสบันแค่นทีนี้ ถ้าดีศึกษาและเข้าใจก็จบพราะเห็นแบบนี้ไปเสร็จศรัทธาท่านแร่นฟื้ไปเลยพราะศรัทธาแร่นไปในพุทธคุณแล่นไปในธรรมกุพระกุณพราะศรัทธาแร่นไปไปเสร็จอย่างนี้แล้วตั้งมั่นในคุณของพระเจ้าแล้วท่านก็ตั้งอัธยาศัยอู่ความเพียรของท่านเริ่มตั้งขึ้นมาเลยนะแต่ความเพียรที่ตั้งขึ้นน่ะว่าต้องเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงคือโสดาบันนี้ต้เข้าไปดับบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุคือโสดาวิกุลต้องเขียน ทำ่ห้แจ้งซึ่งทาที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งก็คืออธิการสุดยอดเพื่อจะได้ตัดว่าแต่ทุกอันยืดเยื้อเหล่านี้ออกจากกระบวนกดานของเราที่จะทําลายกระแสะขันทุ่หมดที่ได้ทําลายวงจรของกรรมที่มันจะส่งผลอย่างยืดเยื้อในสังสารวัฏนี้เพราะทําคิดอย่านี้ท่านจะแล่เนเลยสตางค์แล่นี่เคือเรียกว่าแน่นไปสตางค์มันแล่นไปแน่นไปเพื่อยๆอย่างนี้ถ้าหากว่าศึกษาสุดตัดปุ๊นมันไม่แล่นแปลว่าไม่มีสตางค์ ไม่มีศรัทธาประเภทนี้ที่เขาเรียกว่าสามปักขันธนาศรัทธาไม่มีก็แปลไม่มีศรัทธามีแต่เรื่อมใสศรัทธาให้ศรัทธาใช่ไหมแต่บางท่านหนึ่งไม่ได้เล่นไปแค่โสดาบันนะมุ่ง ม, มั่นเอาสกาธาอนาคานเป็นพระนามเพื่อจะถึงอาหารหตมรเพื่จะบรรลุอนหาตัตผลก็ทําให้แจ้งซึ่งนิทพานหรือ่าบางคนแล่นเลยไปจนถึงใช่ไหมอัคระสาวกมาหาสาวมากมัคระสาวกบางคนแล่นเลยไปนู่น เป็นพระปัจเจกะบางคนก็แล่นเป็นสมาธที่ศรัทธาไปนแล่นอย่างนี้อาการของศรัทธามันแล่นไปอยางนี้ท่านนักหลากมันเคยแล่นบ้างไหมลองดูใช่มันเคยแล่นปแบบนี้ไหมถ้าแล่นอย่างนี้ใช่แล้วศรัทธาถ้ามันงอหนีเลยเนี่ยมันไม่ใช่แล้วยังไงท่านบอกที่คับออกมาขนไก่อะเวลามันโดนไฟอะมันงอนอยู่ที่ไฟอย่าให้ศรัทธาเป็นอย่างน้ะนั้นก็อุกมาเป็นกิเลสถ้าเห็นกิเลสเห็นวัฏฏกรรมมันงอนอย่างนี้อย่างนใช่ นันเป็นไปในกลุ่มของปัญญาทั้งหลายทปเถ อ, อันนี้ก็ไปพิจารณาอย่างนี้ว่าศรัทธาเราท่านทั้งหลายมันมีสภาวะกาแรแล่นไปอย่างนิรยามถ้ามันยังไม่ไม่เคย แ, แล่นเลยหรือไม่เกิดเลยเนี่ยแปลว่าเพิ่มยังไงอย่าง น, น, างนีแสดงเห็นชัดว่าเราเลี้ยงศรัทธาไม่หแห็งแรงแล้วอะไรเราเป็นตัดใจเป็นปริปากในการถามว่ารูปอาการมันทําไมดูแลดีได้รูปขันเนี่ยวเวลามันจะหิวหน่อยก็ดูแลดูแลดูแ ล, แลใช่ไหม อ่ะตอนนี้วิตามิน น, นวิตามินที่เกอะไราวาะารตับเลยเนี่ยนะต้ตามที่ไม่ดีวิตมินเอหรือเปล่าว่าไรเนีวิตามินอะไรขาพราวีไปดูท่านสิ่งแล้ไปสส่วิตามินที น, าน่านขดดูแลอย่างนี้เนี่ยบางคนให้ดูแ ล, แลจนเกิะรนะแล้วก็เป็นพาราเลยแต่ก็ดูแลรปแลศรัทธาเนี่ยให้มากไปถอะใ่้จริงๆสคัญเราเรยายงศรัทธาเ็นขอมให้สังเกตดูนะว่าในใ น, ในพระตาสนท่านบอกว่าเนื้อเลือดท่านไม่เจดา เหลือแต่นหนังเองแล้วก็ดูใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าทํายงังไงจะเพิ่มอินทรีย์ทำไงจะท่านบรรลุท่านจะถึแงแล้วก็บรรลุแล้วก็ทำไม่แชน่นั้นท่านท่านตัวนันเป็นตัวตัต้งแปลว่าเรื่องนามมาทำเนี่ยท่านเห็นความสมําคัญมากในเรื่องของสติปัฏฐานสมมติปธานีที่บาปีจีมาลาโพชฌงค์อริยมรรคในเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่านให้ความสมําคัญมากว่าเราจะดูแลยังไงเราจะพัฒน า, าอย่งไรเราจะให้อาหารยังไงทีนี้โดยมากเราไปเรียนรู้กันแบบเีย เราไม่เคยสนใจเขเลยเท่ตรงนี้จะบอกว่าได้เป็ลูคุณพิเศษที่ตนยังไม่ได้ไป็นเจ้เพื่อกระทำไม่แจ่งเท่นพระนิพพานที่ตนยังไม่ได้ทำข้าแต่หมาราชสัมปักขันธนัตตาคือมีลักษณะเล่อนไปสู่คุณเบื้อสูง ข, ขอถวายก็พรเป็นอย่างนี้พระราชาก็าตรัถามบอกว่าให้อุปมาดิษท่านอุปมาบอกว่าอุปมาเหมือนกับเมฆใหญ่บรรดาฝนที่ตกลงมาสู่ภูเขาเนี่ยน้ําฝนนั้นก็ไหลไปสู่ที่ต่ําแล้วน่ะเข้าน้ําฝนที่ไหลไปสู่ที่ต่ํานั้นก็ ซอกเขาห้วยละหานก็เต็มทําในที่สุดจากซอกจากซอกเขาเต็มจากห้วยเล็กๆเต็มบึงใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เต็มแล้วก็ทําแม่น้ําไม่เต็มแม่น้นํามันเต็มเปลี่ยนแค่สองฝั่งเมื่อเป็นเช่นนี้หมหาชนก็พากันมาเพื่อมาเพื่ออะไรเมื่อไม่ทราบถึงความตื้นหรือความลึกของแม่น้ําก็กลัวจะได้ห็้โน้ําันเยอะเลยในน้ำแต่ฝั่งนู้นฝัง่งเนี้เพราะคนจะข้ามเนี่ยชงักไม่กล้าข้ามก็กลัว นี้ต่อมาก็มีบุรุษบางคนมาเห็นแล้วรู้รู้ถึงเลี้ยวแรงรู้ถึงกําลังของตนเราลงคิดอยูทด้ว่าศรัทธาของพระโพธิสัตว์ของสัมมาสัมโพธิสัตว์ศรัทธาของพระปัิเจ้าบ ร, ริสัตต์ศรัทธาของพระอรหันตสาวกบริสัตต์เพืนท่านเห็นน้ําขวางหน้าเนี่ยท่านไม่กลัวเหมือนบุรุษใจเค้นเนี่ยแหละท่านมีความกล้าที่จะข้ามท่านคํานวณถึงว่าเลี้ยวแรงเช่นเรา ท่านดูแล้วศรัทธาอย่างเราวิริยะอย่างเราสติสมาธิปัญญาอย่างเราอย่างนี้หวยแล้วก็ท่านไปนั่งขีดดูใช่ไหมว่าเราไหวไหมก็ไปขีดดูเนี้ยพอหลังจากเบดเสร็จแล้วท่านก็รวบรวมเรี่ยวแรงของท่านทั้งหมดแล้วก็จับแจงสรีระท่านให้ชัดเครื่องแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกัร น, นั่นก็ทําให้มันเหมาะสมตามสถานานะนั้นแล้วท่านก็ลุยแล้วก็ไหวแล้วก็ข้า แล้วไม่ใช่แกนั้นนะพอท่านเริ่มไปอย่างนั้นเด็ดเด็ดบุคคลที่กล้ากลัวทั้งหลายเห็นอย่างนั้นแล้วก็ตามเลยก็พากันเองมันข้ามได้ไม่ใช่เขาข้ามเลยนะก็พากันตามบุรุษคนที่กล้าที่สุดศรัทธาเหมือนบุรุษที่กล้าเนี่ยวิริยะสติมสมาธิปัญญาทั้งหลายหรือกลุ่มกุศลวัฒนธรรมทั้งหลายอ่ะก็จะตามศรัทธามุ่งแรงไปตามๆเพื่อจะข้ามจากอีกครองหรือห้วยนะ้ำ อย่วกแม่น้ำใหญ่นะตรงนี้ในคำพีสัญยุตท่านทิ้งบอกท่านบอกศรัทธาตรัติโอคังอัปมาเรนะอันนวังมริยรนุกมมาเจติปัญญายาปิสุธิตท่านบอกว่ า, วาบุคคลจะข้ามโอคาได้ด้วยศรัทธานั้นถ้าจะข้า ม, ามโมค้าพระโอค้าทิถัววิโชคาเนี่ยถ้าคุณไม่มีศรัทธาในตถาคตตัวที่ศรัทธาน้วยคุณหมดเสร็จข้ามเลยข้ามไม่ได้หรอกจะข้ามระดับกว้างขนาดไหน โอคาขนาดไหนแบบเลเยดับประเทตนเองข้ามโอคาแล้วจะทําให้คนอื่นข้ามด้วยอันนี้ต้องต้องเป็นน้าวกว้างมากมหาสมุทรนั้นกว้างมากแล้วในมหาสมุทรนั้นมันมีใครเยอะเลยมีเจอร์รัคเช่มีสัตว์ร้ายเยอะแยะหมปลาล้ายต่าไๆเยอะจะข้ามยังไงใจถ้าไม่ถึงข้ามเลยนะทีนี้ถ้าไม่ข้ามแล้วก็อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ก็คืออยู่ตาหูจมูกนิ้วไก่ใส่แล้วก็ถูกฆ่าอยู่แล้วใช่ไหม ฉะนั้นท่านหลวงบอกว่านะี่แหละถ้าลุยข้ามไปเด็เสร็จแล้วก็จะนำถถกุศลธรรมทั้งหลายมุ่งนะจะข้ามอันโนบได้ด้วยความไม่ประมาจจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรจะบริสุทธิได้เพราะ ป, ะปะาัญญาถามว่าบุคคลจะข้ามโคลาสีได้ด้วยศรัทธาจะข้ามอันอนอันโนบหรือแม่น้ำได้ด้วยสตินี่แหละด้วยความไม่ประมาจนี่แหละจะร่วงทุกได้เพราะความเพียรใชแล้วก็จะบริสุทธิได้ด้วยปัญญาสรุปแล้วก็คืออะไรนะศรัทธาสติวิริยปัญญา นี่ท่านแสดงอะไรเนี่ยสดงกับยมมรใช่ไสมาทิฏฐิสมาสติสัมมาวิมารก็คือท่านแสดงมรนี่แหละแต่ท่านมาแสดงโดยฐานะเอาปัญญานาะอปัญญาที่ในถามว่าท่านทั้งหลายจะประชุมเอกายนะมมรเนี่ยท่านจะประชุมมรเนี่ยต้องถามว่าท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไหมศรัทธาจะพ้นทุกข์ไหมต้องศรัทธาถาว่าถ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆเจาะให้เลึกจริงๆต้องถึงสภาวะพุทธะเนี่ย สภาวะพุทธะก็คือสภาวะที่เป็นตัสรู้อริยสัจได้สภาวะ น, นั่นน่ะได้โดยตนเองโดยการที่ไม่ได้มีครูอา จ, จารย์สภาวะที่เป็นแทนตลอดทุกประศัพท์เพื่อการกําหนดรู้สภาวะที่เป็นตรัสรู้สมุทัยยะสัจด้วยการละโดยมิสิ่งโดยซึย้นเชิงนสภาวะนีโรสพุท้าอย่างมีก็คือว่าแทนตลอดนี้โรดด้วยการการะทําให้เป็นอารมณ์หรือกระทำให้แจ่มแล้วก็สภาวะพุทธะก็ถือว่าประชุมมากประหารมากที่สูงสุดเลยนั่นแหละสภาวะพุทธะนั่นเอง สภาวะที่ไปรู้ทุกขสัรา萨มูทไทยนัส จ, จักรทำนิโรธาส จ, จักให้แจ่มแล้วก็ประชุมมารคสัพเนี่ยสภาวะนั้นเนี่ยเขาเรียกสภาวะของพุทธก็คือสภาวะที่จักวัตทุกได้แล้วก็ประ ก, กาศทำเป็นเครื่องดับวัตทุกขทำที่สภาวะพุทธประกาศคือสภาวะที่จับวัตทุกนั่นก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของมีส่วนของสติปัฏฐานเป็นต้นสูงสุดก็คืออเ ย, ยมา อัไรก็หมดเรื่องผ่านนั่นคือสภาวะที่เป็นธรรมะสภาวะสังขารคือตัศนูตตาสภาวะภูธานเนี่ยฉะนั้นฉะนั้นภูธาธรรมะสังขาวงกันก็เป็นสภาวะความดับชาติทุกชาตทุตทาาทตกม น, นนะทุกโศกกาลปฏิเทวทุกอรมณนะสัตว์อุบายยากตรงนี้ถ้าถามบอกว่าการที่จะร่วงชาติทุกชาตทุกมรณะทุกเป็นตนนัวใดก็ต้องความเพียจะบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะได้ก็ด้วยสัญญา ฉะนั้นคนที่ที่จริงก็คือตัวศรัทธาทจริงๆโดยสภาวะก็คือสภาวะเอาแต่ตัวศรัทธาตรงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ปัจจัยในการหล่อเลี้ยงไม่ได้อาหารทีนี้ปัจจัยในการที่จะหล่อเลี้จะทําให้ศรัทธาวิือสถิตซีเกิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็ต้องต้องให้อาหารยังไงต้องให้ข้อมูลยังไงต้องให้คําสอนอยังไงฉะนั้นเมื่อศรัทธาตั้งได้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยโดยชนิดที่ไม่หลงที่หลงทางแล้วเนี่ยเมื่อตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างได้อย่างลึกซึ้งแล สภาวะาอนะของศรัทธาเห่านั้นก็จะแร่งนำหน้านะแปลว่าคพลเร่งไปเสร็จแล้วต่อมาคุณจะมำอะไรก็ตามที่ท่านกล่าวในฐานะว่าเป็นสัมปคันในฐานะศรัทธาในตามหลักถ า, ตามต่างๆที่ยกขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าเออในคัมภีร์คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านกล่าวเรื่องของศรัทธาเอาไว้เนี่ยไม่ใช่กล่าวเพียงแค่ศรัทธาแต่ก็ต้องกล่าวในกรณีการเชื่อถือถ้าคำสอนมวอื่นก็จะเห็นว่าเออศรัทธาเนี่ย ถ้าเราเก่าเราศึกษาในด้านมุสโวมุนามเนี่ยศรัทธาสติอินิสปะรพะตระตะตะตตะะท่านก็เก่าศรัทธานําไม่อยูแล้วอันนั้นมีข้อบ่งบอกว่าฉะนั้นเราก็จะต้องดูลักษณะรักษาปัญหานปัญหาฐานของศรัทธาอย่างที่ได้กล่าวลองมีความเชื่อแล้วก็ปักใจเชื่อเป็นต้นเหล่านั้นน่ยก็คือกิจของศรัทธาก็คือเกิดร่วมกับความโปงใสอุบมาเหมือนแก้วแก้วานีอย่างที่ได้กล่าวแล้วกิจก็คือมีการแล่นไปสู่คุณธรรมเบื้องหน้า แล่นไปสู่พระสุรดารันเป็นตัวสกาธนาเป็นพระนาง็แล่นไปสู่ในการที่จะปราถนาต่างๆนั้นต้องมาอยู่สกทาเป็นตัวนึ่งเนงและปรากฏในปัญญาของระโยคาวะจรทั้นหลายเป็นธ ท, ที่มีความคลุ้มบัวหรือเป็นธรรมที่มีความน้อมใจเชื่อก็คือคนที่มีปัญญาทั้งหลายเป็นพิจารณาท่านรู้หรือว่าตอนเนี้สกทาท่านเกิดและสกทาตามถูกหรือไม่ถูกคนมีปัญญาท่านก็คัดสรรแล้วก็จัดจำได้และมองคนอื่นก็รู้คนศึกษาเรื่องสกาดีเนี่ยดูก็ ว่าศรัทธาในพระธรรมสอนของพระพุทธเจ้าแค่ไหนอย่างแบอันนี้เขาดูมันจะปรากฏแก่ปัญญาของผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายก็จะรู้ว่าท่านทหลายมีศรัทธาโดยเฉพาะปัญญาของพระพุทธเจ้าของสาวองพระพุทธเจ้าได้แนยมองไปเทบรวมเว่าท่านคนนี้ศรัทธามั้ยอย่างเมื่อเราไปสักการบูชาพระพุทธเจ้านี่อย่างที่เราสวดมนต์กันทั้งท่านทั้งหลายอที่สวดมนต์สื่อสายายสวดมนต์กันสวดมนต์ะทั้งหลายข้าพเจ้า ที่อว่าเกี่ยวบ น, นเรื่องนองน้องผู้มีภาคเจ้าน้องน้องพรดำ น, น, น, น้น้องระเรยส่งปตในขณะที่เราตั้งมั่นในการที่จะเราลึกถึงคุณของพระบรมสาดารัตน์เหล่านี้นในการที่ น, อน้อมนออย่างที่เราสวดกันเยอะด้ยมากที่เราสวดกันโดยทั่วไปก็คือท่านในบททธรรมวัดสวดมนเนี่ยพุทโธสุตโธกรุณาโมาอันโธในเดิมหลายใน ห, หลายท่านเลยอม า, ามบอกว่าเวลาไปทำวัดสวดมนต์คุย เคยเกิดความเลึกซึ่งในการสวดสมมติเราไปสวดธรรมะหลายๆคนจะจะทำวัดสวดมนต์เ่อนบทแ้วเวลาที่เราสวดเนี่สวดมนต์ก็จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมผสมเป็นเท่านี้จิตที่เกิดขึ้นจากการสวดที่บอกว่าพุทโธสุดโธกรุนามหันต์โยชน์ประสูธาภระยาในโรจนโรโลกาสปาปูปะกิเรสขาตะปวันทามิพุทธังอามาเทเรนะครับถามว่าพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธ ถามว่าระเจ้าผู้บริสุทธิ์นี้เป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธาด้านไหนพระบริสุทธิ์ที่คุณใช่ไหมมีพระกรุณาดุดห่วงมหาหันโลกอันนั้นสร ร, รเสริญในด้านของพระมหากรุณาที่คุณแล้ว่็พระองค์มีตาคือญานประเสริฐหมดเกล็อันนี้คือปัญญาคุณใช่ไหมเป็นผู้ฆ่าเสียอึ้งบาปและอุปกเกตของโลกข้าพเจ้าขอกราบว่าพระเจ้าพระองค์นั้นเปิดฝากตลอดเกล็ดตลดให้สังเกตดูนะว่าบางครั้งในขณะที่สวดล้วก็ลืม โอ้ตอนนี้กําลังน้องก็คุณ3าประกานคือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพากปัญญาคุณอะไก็แล้วแตนน่นี่นะก็ชื่อว่าเป็นการน้อมเลยเล็กถึงคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นเนี่ยถึงบอกว่าเวลาเราสวดสวดเล็กถึงคุณคของพระบรมศาสดาเนี่ยถามว่าเออในกระแสขันท่าอุญญาตนาของท่านทั้งหลายที่กำลองเป็นไปในการรบ น, น้องและการแปลงวจีพีิคือการกล่าววาจาออกมาในการตราส ฉะนันในขณะที่เรากล่าววจารวาจามาเนี่ยใจเป็นน้องสุดเพราะว่าจิตเนี่ยกิริยาที่นอกน้อมที่ออกมาทางกายกรรมวิจกรรมเนี่ยเป็นต้นเนี่ยกิริยาที่นอกน้อมนี้ต้องเกิดทีหลังจิตจิตนั้นตนอกน้อมเป็นไปก่อนเมื่อจิตนั้นนอกน้อมเป็นไปก่อนแล้วจิตนั้นจะทําจิตจะชโลกไม่เป็นไปจิตชโลกนั้นก็เกิดความเมื่อเป็นไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นปัจจัยแก่การยังรูปการให้มีการนอบน้อมมีการเป็นลมมือมีการโค้งกายในการเคาับ วาจาก็เปล่งไปตามกระแสใจที่มีาการน้อมน้อคุณของพระปรมศาสดาด้วต้นเห็นว่าคุณของพวกปรมาศาสดาว่าพวกปรมาศาสดานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์มีบริสุทธิ์ที่คุณบริสุทธิ์จักราคาตุสัมมหะจิงพระองค์บริสุทธิ์ทุกส่วนรู ป, ปรกายขององค์ก็บริสุทธิ์ใช่ไหมถามว่าถ้าต้องการอยากจะรู้ว่ารู ป, ปรกายรู ป, ปรขันธ์ของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์แค่ไหนอย่างไรก็ไปดูในร่างขนาดสูงดูมหาบริสุาธิ์ละขนาดสประการและดุวิเยนยละแป ถามว่สิ่งต่างๆนี้เราจะต้องได้ศึกษาในสัมมาเลาวิบากนี้ได้ศึกษาแน่ถ้าเวลาเ จ, จาะตรงนั้นไปถึงดีมั้งก็จะต้องไปดูคุณของพระเจ้าในส่วนของมหาบุรีสุรคันนาแล้วก็อนุพยนนัทแปดสิบแล้วไม่ใช่แค่นะั้นยังในคุณของในคำดีสัมปาอวิบากนะี้ยังพัลาณาถึงมงคนร้อยแปดในฝ่าหัวบาปุพระเจ้าด้วยแล้วก็ไปดูอัตถะของพระธรรมในมงคลร้อยแปดประการนี้ ว่าว่าทำไมถึงกล่าวอย่างนี้ก็ไปสืบค้นคัมภีร์มาให้ควรมาพิจารณามาวิจัยเพื่อเห็นความตัดทะลุดีความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจริงๆพระเจ้านั้นแหะอย่าว่าแต่นามมาทําบริสุทธิ์แม้รูปธรรมก็บริสุทธิ์คนที่บำเพ็ญบารมีมาระดับพ่อกรมมาสาสดานั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์มีความหมดจดมีความสะอาดอย่างไรเนี่ยแล้วก็ไปเจปาะถึงตัวสบายวะเพื่ออะไรให้อาหารท่านัตว์สินซีวิ่งสีสตินซีสมาติสีระปันสีถามว่าเมื่อ อินทรีย์เหล่านี้เราบ่มเราเพาะเราเลี้ยงดีแล้วเราให้อาหารดีแล้วเราปะคบปนมดีแล้วเราเทแยบออกมาจากอินทรีย์ธรรมดาเหมือนเราได้ลูกโคลูกวัวในที่เดียวกับทั้งอุตสาหกรมาแล้วเนี่ยเมื่อเราได้มาเป็นเ็นแล้วเรามาทํายังไงเราก็มาให้อาหารม า, มาเพาอมาเลี้ยงดูดีแล้วขแข็งแรงที่แปลว่ามันเป็นโคเป็นวัวที่มันมีประโยชน์มันมีค่าแล้วถ้าเป็นไปในละักษณะอย่างนี้ก็ เ, เรียกว่าอย่างนี้มันเริ่มใช้ได้ แต่ถ้าตามใจเราไม่แยกออกมาเนะี่ยแล้วมาให้อาหารอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะในที่สุดจริงๆมันก็เป็นปัวถูกเชื้อใชนั้นกระแสของของนันธะอายตนะของเราท่านทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏเนี่ยถ้าเราไม่บ่มเพาะพุทธคุณเป็นต้นเหล่นี้นะให้ให้อย่างตั้งมั่นลงในกระแส ข, ขนันธะอายตนะให้ชัดเจนนะในที่สุดจริงๆก็จะไหลไปกอกดอยู่ประวัติาสตแล้วไม่คิดที่จะเงยออกจากวัติ มันจะคิดแค่จะพาเจ้าคู่เท่นั้นเองน่นแหละคิดแค่ว่าพอปังปังไปแล้วมันก็จบลงอีกมันก็จบลงอีกอย่างนี้แล้วในที่สุดจริงๆเราก็เป็นผู้หน้าปรินาอยู่นั่แล้วังนั้นตรงนี้ก็เพื่อน้องถามว่าถ้าอีกหนึ่งนันตะระกับใช่ั้มลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงหน่อก็จะพระเจ้าลรมาตัดเลยอีกหนึ่งนันตระกับกว่าไม่ไม่ถึงดีแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งนันตะระกับไม่ถึงดีแล้วที่จะไปพบพระพุทธเจ้า องขัดไปในพัตฐกับเนี่ยไม่ใช่ท่านบอกโอไม่ไว้เลยช่วงที่เจอศาสนาของพระพุทธเจ้าสัมมาดาบรมมาเพราะเธอทำงมถึงผ่อนแอกันขนาดนี้เนี่ยแล้วต่อไปโลกก็จะมืดมิดจะเป็นอสุจยาเก่าอีกหาประมาณไม่ได้คุณก็ไม่เคยสะดุ้งสะเทือนัเลยคนนั้คนก็ไม่เคยสะดุ้งสะเทือนเลยอยู่เห็นไว่าในเจอก็เป็นความลำบากขององค์ตกถ้าเราไม่เลี้ยงอินทรีย์ให้แข็งแรงไม่เลี้ยงพายละให้แข็งแรง ไม่ทำอีกที่บากที่องเรื่อมันจะออกจากวัฏตักได้เองนี่ยปรารถนาทพิ่มแต่ใจในการที่จะน้องออกเพราะสติสีไม่มาเห็นกันเยอะตรงนี้นั่นเหตุผลในการว่าทำไมปริมาณของพระธรรมจึงต้องต้องอัดรวมทุกวันมันเหมือนอาหารที่เร้องกินทุกวันใช่ขนาดกินทุกวันขนาดนี้ขนาดร่างกายแค่เด็กสูก้กับโรคภัยไค้เจ็บหรือเกี่ยวกับสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มันไหลเข้ามา ต, ตามๆมันจหมุนไปกายไม่ไหว่ยใช่ั้ม แล้วปริมาณของกระแสขันของเราด้านในไหลถ้าไม่บงถ้าไม่ปลูกสัตว์ทินทรียวิตรีนรียสติินรียสมาทินทรียหรือฟันทินทรีเลงไปเลยแล้วมันจะเงื่อยออกยังไงมันมีช่องออกไหมมันไม่มีหรอกมันไม่มีช่องเลยที่มันจะเงื่อยออกจากกระตากแต่มันก็กอดกรตากันอยู่นี่แหละนั <respective worship> ่นเหมือนว่าดีเหมือนว่าถูกเหมือนว่าเข้าใจมันไม่มีหรอกเจ็วันมันรู้ถ้ามียกปัจจุบันอย่างนี้นะหมายความว่าจะยุคที่ศรัท้าอ่อนๆอย่างนี้ยมันไม่ใช่ มันต้องเป็นเรื่องยาวนานแน่นอเป็นเรื่องยาวนานเป็นเรื่องบ่มเพาะอีกแน่นอนที่เขาก็อธิษฐานว่าเจ็ดวันบรรลุไม่มีในที่หมายความว่าต้องต้องรู้หมายความว่าหมายความว่าบารมีที่ยังอ่อนอ่อนกันทั้งหลายถ้ามันไม่ได้มันไม่มีหลักสืตรเร่งรัดมันไม่มีหลักสืตรเร่งรัดเช่นถ้าปัจจัยมันไม่พร้อมเนี่ยมันไบรรลุยังไม่ได้แต่ไม่ใช่พรอบอกว่าบรรลุไม่ได้แปลว่าปิดประตูล็อกประตูแล้วไม่สร้างก็ ไม่สร้างบรรมีเลยอันีปลายใหญ่แล้วอันนี้ปลายใหญ่แล้วจะเนี้ย จ, จไปคิดยั ง, งนั้นเหมือนทีจะบอกว่ายกแบบตัวอย่างว่าอันนั้นคืออาหารในการที่บอกว่าผู้จาผู้บริสุทธิ์ผู้มีครรุณาโดยทั่วมานอพระองค์ดมีตาญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาเกลยรับก็คือพระเจ้าเนีาท่านฆ่าเกลยใช่ั้มราคาโสามโมหะนัา้นที่จีวิจิจารยา์ิการรัเจ้าพระองค์ท่านจะไม่ะด้้ขนท่านอีกเพี้ยนในกระบวนสันดานท้านไม่มีเลย ขทั้นพวงด้วาสนาท่าน้ได้เป็นศพเรพระองค์บริสุทธิ์แม้ทั้งรูปทั้ ง, งามของท่านเนี่ยถามองถึงความงามของท่านนีเนี่ยของรูปกระถาแท้จริงก็คือว่ารูปกระถาของพระพุทธเจ้าก็ต้องไม่งามอย่ดีแนะแต่ขนาดไม่งามันมายกแค่เรื่องนึ่งท่านจะเห็นว่าจริงๆความไม่งามรูปกระถาของพระพุทธเจ้ามเห็นยากนะท่านท่านตนนี้ติดตามพระโรมัษษาสุดาบริเวาตาตัวตอนนั้นพระอรมัสาสุดาก็ชนมาอายุก็ทัางจะแปสิแล้วมีอยู่ขราวหนึ่งท่านจะถอดผ้อันสาออก ท่านท่านมันก็เห็นด้านหลังานตะศน์ด้านหลัมีรอยท่านมันกุทานบอกโอ้โ oh หขนาดว่ารู ป, ปรกายที่ประทับไปด้วยหมาบริตร์นะอ ย, อย่างนี้ยังมีเลี้ยของชลาให้สลาขวบนองท่านสะเทือนเลยบอกโอ้โ oh หชลาเนี่ยเบียดบันได้แม้รู ป, ปรกายของพระบรมศาสีริกธาตุเกิดความสะดุ้งสะเทือนเกิดเพื่กิดภัเหะ ท่นอุทานออกมาพระพุทธเจา้าเขบอกว่าดูก่อนทั น, นบอกว่าความเป็นธรรมดาของโลประธรรมเป็นอย่างนีน้ฉะนั้นไม่มีรลประธรรมของสัตว์ในสังสารวัตที่จะไม่มีชาาลาบ้างแต่ชารานั้นจะปลากฏแก่กระแสใจของใครหรือไม่ใช่ไหมใครจะเห็นหรือไม่แค่แนั้นแต่ความชราหน้ามีอยู่ในทุกตัวสวัตว์ทุกครบด้วยทุกครอบด้วยชาติชราวานละนัมีทุกครอบแต่ว่าจะเห็นไหม เพราะแมแตตานามก็มีมชัยละอย่ไมาแต่รูปธรรมเลยทีนี้ทั้งๆ ท, งที่ท่านก็มาขยายความให้ดูว่าลิ้วที่ภานิ่งเห็นนะเท่ากับเส้นผมเส้นผมแค่นั้นเองที่ลิ้วขนาด้านหลังที่เป็นรอยประมาณเส้นผมของมรุษยก็แสดงให้เห็นชัดว่าพระรูปของพระเจ้ามีงามจริงๆแล้วก็เป็นฝัจจนจริงๆมีตรวละครที่งดงามจริง บ่งบอกถึงกระแสกรรมที่พระองค์เจตนากรรมที่พระองค์สั่งสมมา20ผสมขายยิ่งด้วยแสงกรรมบริบูรณ์จริงๆชะกรรมที่พระองค์สั่งสมมาอย่างยาวนานนั้นน่ะวิจิตรมากแล้วก็มีความงดงามมากเวลาให้อันนี้อาจจะภาพสุดท้ายจึงไม่มีความบกพร่องเลยแม่แต่้อแต่เน้ยขณะนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งของชาติชาาพญาทิแล้วก็มรณะเห็นไหมว่าความจริงของ สปปรรพสิ่งต่างๆที่มันท่วมทัดอยู่ในโลกว่ามีสังขารและโลกต้องเจออย่างนี้ความเป็นสัตว์โลกต้องเจออย่างนี้การภาชนะโลกก็จะต้องมีการแตกตับอย่างนี้พอเราพิจารณาเห็นอนี้เราก็เห็นบอกว่าท่านทั้งหลายจะทําบุญมาระดับไหนถ้าอยขนาพดพระเจ้าแล้วยังมีชลาและพิธีการแบบนี้อันนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าทุกษัตว์ไม่เลือกเฟ็ไม่เลือกเป็ไม่เลือกเฟส น, น, นว่ากายนี้เป็นกายของคนมีบุญมากสร้างบรารมีมากชลาเขา ตาค่เอวไอตรงเนี้ยเป็นข้อผมบอกบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีตาทะยานกระเสดวัวเจอถึงสือฆ่าเสียซึ่งบางอุปกิในขันทนโลกของพระ อ, องค์อองเนี่ยพระ อ, องค์ก็ฆ่าได้กเกลี้ยงและในขณะเดียวกันนั้นพุทธัตว์นั้นก็อยู่ในฐานะเป็นผู้ฆ่าที่จะเกี้ยกล่อมได้ฆ่ากิเลสของสัตว์อืน่นด้วยฉะนั้นกระแสพระธรรมเทศนาที่หลั่งไหลออกจากาไทยของพระพุทธเจ้าที่มีมาหากริยาญาณสัมปะยุทธน์น่นแหละเป็นตัว กระตุ้นเตือนในกาให้ควรพิจารณาแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นเตือนทำให้มีการหลั่งออกมาจากปกจากอาไทเป็นปัจจัยที่ทำให้พระโอษของพระองค์นั้นน่ะเปล่งพุทธวจนะแ้ะการเป่งพุทธวจนะมาหนาเป็นพระธรรมนั้นน่ะได้หลั่งไหลออกจากพระโอษการหลั่งไหลออกจากพระโอษของพระธเจ้าไปเสร็จแล้วเนเี้ยทําให้พุทธชิโนรสอุบัติเกิดขึ้นเพราะพระธรรมที่หลั่งไหลออกจากพระโอษของพระเจ้าเนี้ย จะมีพุทธชิโนรสมีภาษาอยูุ่มีพระโมคคัลานะเด็มต้มีเหล่าพ้านั้นเดชะโวภาษาโกทั้งเป็นผ้านาคาผ้าสกัณานะครับนั่นคือพุทธชิโนรสที่คลอบออกจากพระโอร์ของพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมเนรมิตท่านเหล่านั้นขึ้นพระพุทธเจ้าจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ฆ่าเสือซึ่งบาวและอุปบจิเลศขอสัตว์โลกเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ฟังพระธรรม แม้ในขณะที่การาศาสนาของพระเจ้านี้เป็นไปอยู่พระธรรมของพระเจ้ากําลังดำเนินไปอยู่ยถ้าพระธรรมนิระมิดของท่านผู้ใดให้ได้เข้าถึงการรและทำให้แจ้งระดับของประยะอย่างไรกันึ่นั้นชื่อว่าพระธรรมในระมิดนั้นชื่อว่าออกจากพระโอษฐ์านั้นก็เกิดแตกคาทยของพวกพระศาสดาเนีลยถ้าพระศาสดายังทรงพระชนชีพอยู่พระาศาสดาก็จะต้องเอื้อมมือมาจากกระบที่ท่านได้รู้ สัมผัสท่านพอท่านใน้นรู้ว่านี่คือรบุตรที่เกิดจากอกเกิดจากอุราของท่านเกิดแต่พระโอษฐ์พระธรรมของท่านในระลึกบุตรของท่านขึ้นมาเะนั้นพระธรรมตอนนี้ยังในระิึกท่านตลอดในวัดต่างๆไม่ว่าจะในกาลมาภูมิหรือในโลกภูมิแม้ในอารมณ์ภูมิที่ท่านเป็นพระอา ญ, ญาทั้งหลายท่านก็มีพระธรรมออกจากพระโองค์ของพระเจ้าในระลึกท่านให้ได้รู้ในระดับสูงนี่นี้เราต้องเห็น เราต้องมองให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฆ่ากิเลสแล้วบาปให้กับสร์โลกจริงๆ อ, อัธตรงนี้ต้องอ่านให้ได้ต้องเข้าถึงให้ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เห็นคุณท่านเราจะไม่เห็นคุณของพระบรมาาศาสดาถ้า่างนั้นเวลามาสวดบอกว่าพุทโธสุสๆโธกรุาาณาเมตตาโยชนจะสุทัภ ร, ร, ริย า, นาเนโรเโนโรกรรรสสปาภูปกิเลสคาตะกุลวันทรรมีพุทธังามาตุนีแหละนันก็ไม่เห็นนะไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระบรมศาสดานั้นน่ะ พระองค์บริสุทธิ์มีพระรุณนาจริงๆห่วงมหาล็อกคือห่วงมหาสมุทรเนี่ยยิ่งใจนะเพียงใดเทียบคุณของท่านไม่ได้เมื่อสักครู่ตอนพักมีโยมน่นหนึ่งถามอะไรบอกเอาเรื่องกลับไปคิดก็ไปคิดหกสิสี่อันตัดกับหกสิบสี่อันตัดกับหกสิี่อันตักับสี่ครั้งที่เป็นพวกสั่งว่าจะกลับไปก็บอกว่าสองรอห้าสบกนยันตัดับถ้าขนมมาอาดลเสียสงสัยกับ กโอ้โหพระเ้าสร้างสี่นี้ใช่ไหมสี่สี่เสียสงข็ยอะไรมาใช่อันนี้เขาเรยอสังขัยเล็กนี่คือโรคใบเดียวเท่านั้นโรคแต่ละใบในจักวาลเท่านั้นเองที่แตกไปแต่ว่ามหากับหรือเสียสงแข็งกรอบเล็กเนคุณเอาไปตั้งใหม่เพื่อจะหาคำว่าสมแขอย่างทีเอาไปตั้งว่าโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่สูญหายไปเป็นอสังขัยเป็นอันตรกับอันตรกับอุเสียอันตรกับเี่แหละจนอุบัติเกิดขึ้นมาใหม่อีกจะมีนู่นแหละหนึ่งมหากรอบนี่คือโรคใบหนึ่ง โลกดับดับไปด้วยแล้วูุ้บบาทเกิดขึ้นมาใหม่ดยไปด้วยหนึ่งใบนั่นะก็มาตั้งแล้วก็เลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนยรอยสี่สิบโัพวกนี้โอ้โหพอังตัวนี้ขนลกบอกอืมนึกวคุณพระเจ้าแค่นี้คอนอย่างนี้ยิ่งยิ่งหาประมาณนี้ได้เลยที่จริงเวลาอาตมาบรรยายดีอะไรอาตมาบอกว่าเราเห็นพคุณของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่นะเธอก็ถามอาตมาต่อไปบอกว่าเอ้าพอโลกแตกแล้วเนี่ยพวกบริษัทให้สร้างแบบนี้ถ้าไปอยู่เนี่ยจมาบอกลรน ท่านอยู่โรงพุ่งไม่ใอยู่เป็นโรงพ่ท่านก็ไปทํำท่านก็ขวัญขวายในการที่ทําบารมีถึงแม้ว่าจะทําไม่ค่อยได้ท่านเห็นม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีว่างเว้นในการที่ท่านคิดจะรงตดปฏิบัตนั่นแหละคือพระมหาจรุณาบุญมโหมาน้อพระองค์มีตาจียานเสร็จหมดจดแล้วคือปัญญายานของท่านหมดจดทะลุทะลวงเป็ดเสร็จหมดแล้วแล้วก็ฆ่าบาปตัวเองได้แล้วแล้วก็น้องจะฆ่าบาปคนอื่นด้วยของสัตว์อื่นด้วย ฆ่ากิเยสคือในโลกขันของตนเองจะเป็นหนึ่งโลกอยู่แล้วในสังขารและโลกนี่ท่นานฆ่ากิเลสท่านได้แล้วท่านก็นก้อมในการจะได้ฆ่ากิเลในโลกอื่นด้วยคือในอุปาทานขันของบุคคลอื่นท่านต้องการเคียร์ขันหรือกำจัดขันของบุคคลอื่นถ้าไม่มีท่านเนนะเป็นกล่าวพระธรรมออกมากล่าวพราว่าจะนามาแล้วมีมีพระโอรในการที่กล่าวพระธรรมออกมาทำพัฒน์ธรรมไม่รู้ออกจากอาชัยไม่รู้ออกจากพระโอรไม่รู้ออกจากสัรพยุติยานไม่ได้นะ <nu? S 1> เราจะรู้อะไร เราจะรู้ทางออกได้ยังไงน <verständ> ั <ra> yes ่นแหละคือพระผู้เปานเจ้านั man, Maybe, ้นน่ะพระองค์นั land, ume, ้นน่ะจึงเป็นบุคคลที่ควรจะเคารพจริงๆควรจะนอบน้อมจริงๆพอท่านได้รัดสุดุพุทธะสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จแล้วท่านก็มาพิจารณาถึงพัฒนาใช่ไหมถ้าเราพิจารณาถึงบุคคลที่ควรเคารพว่าท่านคนรเคารพใครในจักรวาลทั้งสิ้นแม้ในโลกทั้งสิ้นในกาบภูมิรูปภูมิและรูกภูมิในจักรวาลทั้งหมดเพราะในแต่ละจักรวาลแต่ละจักรวาลต้องมี วัดมีเกียวกับเรื่องของสามสรบอ็ดภพอย่างเนี้ยท่านก็ใครควรดูหมดเอาใครที่ท่านคว ร, รบวูชาหาไม่มีเรพราะบอกว่าหาไม่มีแบบเสร็จท่านลองพิจารณาแล้วอีบุคคลไม่มีบุคคลที่เคารพเนี่ยก็ไม่มีสถานะใช่ไม้มท่านก็มาทึ่งถ้งถาธรรมที่ท่านจัสรู้ไงนี่ไงพระพุทธเจ้าท่านเคารพพระธรรมชนั้ะต่ า, ากว่า ท่านเคารพถึงขนาดแล้วพระธรรมผ่านสาวกองท่านท่านก็เคารพเห็นไหมนั้นบ่งบอกว่าท่านเคารพพระธรรมท่านเคารพสติปัฏฐานสรรมะปัญญาอิบาทอิศิรปราพุทธโชอิยามะท่านเคารพปพิบักพิยะธรรมเคารพพระสี่วนสี่ที่ผ่านหนึ่งเคารพพระปิยะธรรมก็คือพระธรรมนั้นเป็นภาษาสดาทำไมท่านจะไม่เคารพเพราะพุทธทก็คือสภาวะที่ดับทุกข์ธรรมะก็คือสภาวะที่ดับทุกข์เห็นไหมจะ่านไม่เคารพพระธรรมแล้วท่านจะเคารพ ท่านยินเคารพแม้สังฆ์เองเองไหมท่านยังบอกว่าถ้ามีสังฆ์ปณิธานเมื่อไหร่แล้วเนี่ยแม้ชิ้นส่วนที่เหลือของสังฆ์ท่านบอกให้เก็บไว้บูชาจะมีเป็นสุคติจะมีสุคติเป็นไปใน้ด้วยแน่แล้วจะถ้าท่านเหล่านั้นมาเจริญสังาฆนิสติแล้วจะเป็นปัจจัยในการบรรลุเลยเอาสินอกจากสุคติแล้วมีมีนิพพานเป็นที่ไปได้ด้วยเห็ไหม สภาวะของพุทธะจริงๆสภาวะของธรรมะจริงๆก็คือสภาวะที่ดับชาติที่ทุกชราทุกเมละนะทุกดับความโศกความร่ำไรรำคาญความไม่สบายใจไม่สบายใจความทับแข็งใจถ้าเรามองเห็นตรงนี้ปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจว่าโอ้เป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเรามาเจาะฐานของคำว่าพุท่าธรรมะสันทาร์จะเริ่มชัดขึ้นทีนี้ก็บอกว่าธรมโมปฏีปวงมียาตัสจระเตโนโยมัคคปาการมัจจะเพจจยนโกรโรกุตโโรโยเจทธาตตโน วันธรรมีธรรมามากระเรียนแสดงบอกว่าพระธรรมของพระบรมศาสดาสว่างรุ่งเรืองจุดรวงประีปท่านทั้งหลายกระแสขันทา่าอายตนะของเราท่านทั้งหลายนี่มันมืดเหตุทีท่มืดหนึ่งเบื้องต้นไม่มีปริยัติธรรมของพระบรมศาสดาอยู่ในกระแสขันทา่าอายตนะเราไม่ได้จุดเพียนในใจอ่ะไม่ได้จุดเพียนในกระแสขันท่าอายตนะเลยมันก็มืมดมืดก็คือคนมองไม่เห็นทางไม่มองเห็นอริยมรรคมองไม่เห็นวันจะเดินยังไง โดยเฉพาะขนาดรำปริยัติดอัดถาว่าปริยัติไม่ถึงมันยังมืดเลยมันจุดไม่ติดท่านก็เห็นมว่าจุดปริยัติไม่เกิดศึกษาปริยัติแล้วไม่รู้จะปฏิบัติยัง ไ, ไงเคยเจอไหมฮะมันจุดไม่ติดจาได้แต่มันจุดไม่ได้คือเอาพระปริยัติเอาวัตธรรมเอาพระพุทธเจ้าอยู่ในใจอะพอเอามาไปเสร็จแล้วเนี่ยอัดถาของวัตธรรมไม่เกิดไม่ไม่เข้าถึงจิตจักก็เหมือนกับคนว่าจําวัตธรรมได้สุดแต่ ก็ไม่รู้จะออกมาคิดยัง่งพอคิดพอจินตามียะปัญญาไม่เกิดภาวนามไม่ทัง้งพุทธเห็นไหมสุดตาที่เราต่านทั้งหลายฟังฟังเนี่ยอย่าลืมนะเราจุดพระธรรมของพระเจ้าที่ออกไปจากคําสอนของพระพุทเจ้าทั้งหลายออกจากไปไปตรีเดชฐานดีฐานไหไที่ท่าน พ, ย า, พยายามขยายเนี่ยแปลว่าท่านพยายนะามจุดจุดแสงเทีน ย, ยนะจุดแสงไฟในกระแสฐานธาตุยนะัติธรรมทั้งหายทีนี้ถ้ามันสว่างแปลว่ามันเห็นทางไงเยอะแล้วตอนนี้เห็นไหม ถ้าเห็นใช่หไหมตรงนี้แหละท่านเพิงบอกว่าเวลาเราทําวตรสดบนยีดีอ้อหนึ่งที่บอกว่าส่วนใดที่เป็นโลอุตละและส่วนใดที่ชี้แนวอย่างโลอุตระนะั้นส่วนใดที่เป็นแนวก็คือส่วนที่เป็นพระบริญัติทั้งหลายเนี่ยจะเป็นแนวจะเป็นตัวชี้บอกว่าจะเข้าถึงโลอุตระอย่างไงเห็นว่าพระธรรมที่เราท่านทั้งหลายฟังเสกคุ้นกันเนี่ยอันนี้คือแนวแต่ ต้องเป็นไปตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆนี่จะเป็นแนวทีนี้เมื่อเป็นพัดตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าจริงเมื่อพุทธพจน์เข้าสู่พรองกระแสของตัวจากเข้าสู่ใจเราท่านทั้งหลายสู่จุดมโนวรรมลุ่ยฉีงเราท่านทั้งหลายแล้วก็ไปไข้ควรถามว่าไข้ควรไม่ออกโดยที่พระอาจารย์พอดีอาจารย์ท่านไหวอย่างไรแล้วก็อธิษฐานตรงนั้นโดยโดยโดยการที่มาเจริญได้ก็ตูให้มันชัดอย่างที่เราพยายามฟังและศึกษาที่พยายามกรองกันแล้วกรองกันอีกนี่นะ เพื่อจะทําให้เราแทรกทัหลายได้แนวในการชี้แนวไปหมดตรงนี้มันก็มันก็มันก็ไปได้เพราะธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งหนึ่งบดรวมไปที่ก็หมายความว่าจําแนกประเภทเนี่ยมรดยิปานส่วนใจเป็นตัวโลกุตละมัดสี่ผลสี่ยิปานหนึ่งเป็นตัวโลกุตละพระวินัยมีดอกพระสุตตันจะมีดอกพระพิธามบดอกนั้นเป็นแนวส่วนใดที่ชี้แนวเป็นตัวที่ชี้แนวแห่งโลกุตละ ชีว้ว่านี่ไงมรนีไงผลนีในนิพพานมรผลและนิพพานเนี่ยมีสติปัฏฐานสมปัฏฐานอทภิบาทอิสีพระราพุทธชนเ น, เนี่ยนะมรเนี่ยนะที่เป็นส่วนของโลกียะเนี่ยที่จะเป็นแนวของโลกแต่ระเนี่ยนี่คือปฏิที่ที่เป็นส่องเข้าในใจของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อได้ปฏิที่ส่องหรือแสงสว่างส่องลงในใจเบีดเสร็จแล้วเนี่ยความสว่างสวัยมันเกิดพรามันเกิดแล้วเนี่ยแปลว่ามันริมมั่น แต่ท้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยแนวหรือพระธรรมคำสอนเลือนหายไปจากใจท่านทั้งหลายไฟดับไหมไฟในส่วนเื้นงต้นของคําสอนดับบางสังสาร ว, วัฏนี่เราปิดหมดเลยเนะแล้วปิดเลยเนะนั้นจะจุดติจิตเกิปดปฏิสนธิใหม่แล้วไปเกิดกับวพใดกับทายเนี่ยแนวของคําสอนส่วนที่เป็นตัวชี้แนวคำสอนก็เลือนหายไปเหลือแต่อุปนิสัยปัจจัยที่กระตุ้นเตือนแต่เราตงนั้น ถ้าไม่ได้ไปฟังใหม่อัธยาศัยเดิมจะเชื่อมต่อกันยังไงเห็น ไ, ไนี่คือความน่าหวาดเสียวของวัฏฏถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้โลกุตรตะตรณครเนี่ยใช่ไฉันตรงนี้ว่าเราศึกษาพุทธคุณของพระบรมศาสดานันอย่างมากมายจาเป็นมากแต่มาพอมันน้อยน้อยมากในคำพีทั้งหลายที่เราศึกษาแล้วเนี่ย เขาว่าน้อยในที่นี้ก็คือว่าเราจะเจียดเกี่ยวให้เป็นอารมณ์ปัจจัยในการสร้างสัตย์ทีซีวิธีซีอย่างไรจนถึงปัญญซีอย่างไรเนี่ยนั้นปริมาณข้อมูลในนี้มันเหมือนกับถ้าเรามีอาหารปริมาณอาหารถ้าเรามีแค่ทั้งทีแค่นี้ถ้าเราไม่สามารถขยายทั้งทีนี้ได้อย่างกว้างกว้างเราจะกินได้กี่วันอาหารถ้เป็นอาหารเนี่ยถ้าเป็นปริมาณอาหารเนี่ยที่เราจะเลี้ยงลูกปลากายลูกหันมันก็ได้ไมกี่วันใช่ไหมฉะนั้นความลึกซึ้งความละเอียดอ่อน หรือว่าเกี่ยวกันในเรื่องของ บ, ร บ, รบรงารมีธรรมของพพ่อบรมาสตร์หรือพระโริสัตทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญมาเส้นทางชีวิตอันยาวไกลของท่านที่ท่านเดินทางมาในการบ่งท้อทั้งหลายนั้นนะ่ยทุกจุดทุกเรื่องราวที่บากเกิดขึ้นสามารถจะเป็นอารมณ์น้ำตัยใจเก็ศสัตว์เพียงซีงท่านไดนะ้แล้วตัวนั้นอาจะเป็นตัวอาหารเป็นตัวสริมทำให้อินทรีย์เก่าเป็นสัตว์ธรรต้นน้ำแข็งแรงเมื่อแข็งแรงเมื่อไรแล้วความมุ่งมั่นยจงมากนึ้นความย่นแในยอดและท้อถอยมันจะเริ่มหายไป อาสาทิยามันจะถูกทำลายไปเรื่อยๆถ้าหากว่าวิญญาณซีมแข็งแรงนะโกศชาจะถูกทำลายไปเรื่อยๆถ้าสติินซียแข็งแรงนะมุตตสติคือการหลงลืมสติก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆถ้าสมาธินรีแข็งแรงนะความพุ่งสร้างวิถีปัาเป็นต้นอย่างนี้จะถูกทำลายไปเรื่อยๆเป็นแต่ทางาไปนี่นะถ้าปัญญซียแข็งแรงนกลุ่มสมโหาทั้งหลายจะถูกทำลายไปเรื่อยๆแล้วก็ดูตรงนี้แล้วก็ไปไขรวนดูว่าเออเป็นอย่างนั้นไหม ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นไปในรัฐเทหร่อย่างนั้นแปลว่าเรานั้นเริ่มให้อาหารให้ปัจจัยของเขาได้อย่างชัดเจนนะเมื่อได้อาหารให้ปัจจัยของเขาได้อย่างชัดเจนแลาาปลว่าเริ่มมั่นใจถ้าถามท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งนั่กันอยู่เนี่ยถามมีใครกี่คนบ้างจ้ะว่าศรัทธาเรานั้นจะแร่งไปจริงๆแร่งไปข้าหน้าดจริงๆคือหมายมั่นเลยอ่ะหมายมั่นถึงโซดาไหมาบรรลุโซดาผมทำไม่ได้เพราะนิทานของโซดาบไป หมา้มันสกัาธาตุมีมากใช่ไหมคือถึงอ่ะแล้วก็บรรลุกสกัดธาตาาาุมีฝนทำไม่แก้งนึ่งนิทานของสกัดธาต ม, มีผลไปตนถึงอาไราัีมกากอะไรที่เกิดแล้วนิทานก็อะไรทีมากอะรที่เหรือเลยไปก่อนนะถ้าเราคิดบอกว่ามันมีสองส่วนใช่ไหมส่วนที่คิดว่าจะต้องบรรลุกับส่วนที่คิดบอกว่าจะทําให้เป็นวาสนาพากย์ทีต่ตอนนั้นที่อยู่เ<ม>ชียื่อมากยั ง, งที่บอกว่าบอกว่าที่ใช้คำบอกว่ายถาสดิยะถาภะัง จะทําในใจอยู่จับปฎิบาตปบัติตามอยู่ในคำสอนของพระเจ้าตามสติกนันมาบอกว่าอย่าไปคิดแค่ว่นะมันไปไ ป, ไป ม, ามามันเลยกายเป็นแบบแล้วก็ทําตามกลำลังทุ่งราวใช่ไหมแเราก็ทําตามกนานาําลังทุ่งลาอยู่าเงี้ยมันไม่เคยคิดว่าเราจะเพิ่มใช่ไหมเราจะทำศรัทธาให้มีศรัทธารละจะทำวิริยะให้เป็นวิริยระพละ จะทําสติให้เป็นสติพลัสจะทําสมาธิให้เป็นสมาธิพลัสจะทําปัญญาให้เป็นปัญญาพลัสตามพลัสเหล่านี้แหละตามกําลังเหล่าเนี้ยเพราะถ้าถึงพลัสเหล่านี้แล้วเขาละเงยได้เพรา ะ, ะ, ไ, ราะไม่ใช่มาแปลอย่างบุรุชนแปรอย่างนีเพราะปุรุชนแปรเนี่ยเขาตั้งใจกําลังไอ้ตามกําลังของเราที่มันพอ่อ น, อ, อ, นอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยจะคิดที่จะเงยออกเลยใช่ไหม บางคนเนี่ยเวลามานั่งคุยกันมาเขาไปที่แสดงท่านท่านยายผมทิ้งครอบครัวยังไม่เยอะหลายคนโอ้ปวดยาเลยต้องเอาพาไปยุใหทิ้งครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่ในยุให้ยอมทิ้งครอบครัวยุให้ยอมทิ้งตาหูจมูกเล่นกายใจยอมนั่ยแหละเพราะเดี๋ยวก็ต้องทิ้งอยู่แล้วแต่ทิ้งมันเป็นรับออกใหม่แต่ตราฐานว่าโยอมอย่าไปรับออกใหม่เพราะมันเป็นทุกยอมไปเห็นอยู่เนี่ย แค่ทุกเขเวทนาที่เกิดขึ้นจะยมโยมก็จะทนไม่ไหวอยู่แล้วแล้วลทุกข์ที่มันเป็นไปในวัตตาเนี่ยกระแสของขันธ์อิจตานทาที่มันออกจากวัตตาไม่ได้นีะมันเป็นความเจ็บปวดที่ปนดนะเขาเลยบอกว่าอ๋อมันก็คือต้องทิ้งทั้งหมดเลยว่าอย <c oughs> ่าบอก้โหลำบกากเยทป็นจีิงจริง <S <S สังโฆสเกตตาพยาติเกตตะสันมีโตโยธิตะสันโตสุปตาโนโพตะโกโลลาไปโนอริโยสุเมตโสปันดามิสังขาอามาะเถรนะครับ พระสงฆ์เป็นนาบุญยิย่งใหญ่กับนาบุญดีทั้งหลายเป็นผู้เห็นพปะนิพพาตนตัดสุตาพระสุคดใช่ไหมเป็นผู้ลกักิเลสเครื่องโลเลเป็นพระยาจ้าจมีปัญญาดีครญาติเข า, า ว, าวาพระสงนั้นโดยใจเาลุกเลิศพระสงฆ์เนี่ยตัด ส, สุตตาพระสุคตมูใด้คือก็คือตัดสุเป็นพระโสดาบันสกทานะรบเป็นระนาเนเขาตัดุตาพระสุคดตัดุตาพระจ้าทีนี้สภาวะของสัุตถะอุตมาสังฆาจริงๆเนี่ยสภาวะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสภาวะที่จับ แต่เมื่อมีสภาวะที่ดับทุกระดับใดเราก็มีบรรจักตามสภาวะนั้นเนะช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมสัมมาสัมพุทโธโฆเนี่ยตัดสรุปได้ด้วยตนเองแล้วก็สอนให้บุคคลอื่นที่ตัดสรุปด้วยคําว่าสัมมาในทีน่นีแ้แปลว่าไม่ยึดเปรียนะไม่ผิดเพี้ยนนะตัดสรุปได้จริงๆอย่างนี้ยแล้วก็สอนผู้อื่นให้ตัดสรุปถ้าสภาวะนั้นก็ดีกว่าสัมมาถึงทีนี้นสภาวะที่สัมมาสัมพุทธ า, ททธาตัดสรุปนั้นก็คือธรรมะ สภาวะของสังขารก็คือมุตตะเชิุตาะประสิทธิ์มตตะเุตาพุทธนี่สัจจะอริยสัจเพราะว่าสังขารเนี่ยนะถ้าไม่ได้พุทธะตัสรุ่ไต้องอาศัยพุทธะเนี่ยจิงตามพุทธะหมดเลยเตามพุทธะหมดเลยเนี้ยนี่เราจะเห็นว่าสภาวะที่เป็นที่ดับทุกข์ของของพุทธะเป็นในลักษณะยนแล้วก็เป็น่ไม่ว่าจะเป็นพุทธะธรรมาในสังขารจริงเป็น สถาณะที่ควรตั้งสถินรีไว้จริงเมื่อสถินรีย์ไปตั้งเขาไว้พุทธเจ้าถึงบอกบอกว่าให้สังเกตดูนะว่าพระบรมศาสดาเนี่ยที่บอกว่าสภาวัตถัสรุิยสัตย์เนี่ยสี่ก็คือพุทธะธรรมะคือสภาวัอยสัตย์โดยเฉพาะโลอุตตระธรรมเก้ามรรคสี่ผลสี่ที่ผานหนิ่นนั่นแหละอันนั้นอันนั้นชัดเป็นสังฆาคือสภาวัตถที่เข้าถึงอริยสัจตามพุทธะรวมไปหนึ่งคือการจัตุรุปตามพุทธเจ้า นั่นคือการเห็นอริยสั์เป็นต้นทีนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นอะไรเห็นคุณของพระบรมศาสดาเห็นคนณของพระบรมศาสดาเนี่ยว่าสัจทินรีถ้าตั้งไว้ถูกก็จะตั้งไว้ที่การตัดสุขของพระเจ้าเหมือนแต่เราจะศึกษาคำพิสัมภาราวิบัตกก็ต้องศึกษาให้ได้ทั้งเรื่องราวควาเมเป็นไปด้วยแล้วก็จะถึงสภาวะแห่งการตัดสขุขเป็นต้นด้วถ้าพูดถึงเส้นทาง ระยะการเดินทางเนี่ยของอสองไขยทั้งหลายเนี่ยถ้าศึกษาไปตามคําสอนที่บอกว่าจิตปณิธานมโปนปณิธานเนี่ยเจ็อสองไขยของเป็นบารมีเป็นพุทธเจ้าและผ่านพุทธเจ้ามาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันพระองค์ก็ดูแต่อสองไขยไม่ว่าจะเป็นนันท้สอสงไขยชนันทะอสงไขยพทุมเรียอสงไขยมันดาสอสงไ ข, ขยธรณีสอสงไขย สาระสงไข่คุณเทียสงไัยสัพพะทัทธสงไขยสัพพะคุณละสงไัยก็ไล่มาต่าเอ่ยมันก็พอะไรจนถึงนั่นแหะคำว่าเจ็ดก็จนถึงนู้นแหละจนถึงบุญธนิบุญธนิกาสงไัยเนี่ยในเจ็ดแต่สงไัยนี่เขาเรียกว่าโมกนิทานอันนี้ผ่านพระเจ้ามัหนึ่พุทธเจ้ามาหนึ่งแสนสองหมื่นข้าพัอันนี้เราก็ไปนับสงไัยเราดูเส้นทางการสร้างบารมีของท่านเกิดแล้วแล้ว ใช่ไหมอันนี้อาจจะภาพแล้วอาจภาพแล้วในการทด่คิดอยู่ในใจและไม่พูดมนโบนบัญญัติทานยาวนานแท้เราลองมาคิดดูที่ว่าการคิดจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องใหญ่จริงๆใช่ไหมท่านคิดท่านก็เก็บความรู้สึกว่าคิดปรารถนาก็เก็บความรู้สึกว่าเจอพระพุทธเจ้าก็าไปคิดต่อหน้าพระพุทธเจ้าไปมองหน้าพระพุทธเจ้าใช่ั้มไปกราบมองหน้า พระเจ้าบัดเสด็จทาแสดงแสดงต่างให้ฟังฟท่านก็เรียนรู้มาทำองค์พระเจ้ามาต้องผ่านมาขนาดนี้เราคิดดูสิก็มะผ่านทันบ้ไม่ทันบ้างแต่ว่าในสุดจริงๆก็คือว่าท่านก็คิดท่านก็มีข้อมูลท่านก็มีอธัธยาศัยท่านะสั่งสมกลับแล้วกลับเล่าก็ลงคิดดูนี้ไล่แค่หนึ่งอาสงไขฉะนั้นอย่างที่โยมถามมไร ม, มาไล่หนึ่งอาสงไยก็คือไล่ว่าโอ้โห oh oh. อันตรา ก, กับ ใช่ไหมเออแต่ละอันตรกรับเนี่ยแปลว่าจากอสงไข่ปีของมนันนับไม่ได้นับไม่ได้ตอวเลขหนึ 1, 3, ่งตามตัวเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวโอ้อาศงไข่ขึ้นขนาดนั้นเลยอายุไม่รู้ขนาดไหนคานวณไม่ได้แล้วก็ลงมาตามจับนี้นะลงมาจนถึงสิบจากสิบก็ขึ้นไปองางไข่นับเป็นหนึ่งอันตรกรับก็ยาวนานถนาป่านใดทีด่ แต่ละพบแต่ละชาติเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าเนี่ยกันผานไปก็กว่าจะได้แต่อันตรากับตัวกวนาจะได้แต่อันตอนรับเราก็พูดที่เกาหลีดงใช่ไหมพูดทีเกาหลีแปแปดหกสิบตีอันครับได้แล้วเป็นส sort of ันวัตตะกับแล้วกอกมาวิวัตตะกับอีกหกสิบียนตรากับวิวัตตะกับอีกหกสิเตียันตรากับวิวัตท้านีกหกสิบตียันตรับสองวันห้าสิบอันตรารับ คิดง่ายๆเนี่ยแต่ไอการคิดเนี่ยไม่ต้องอะไรแล้วถ้าเราท่านของเราคิดรู้ไหมเอาแล้วจะสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่แค่ว่าคิดสร้างเลนคู่กันมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วครับประเทศไทยเนี่ยต้องใจอยากจะสร้างรถไฟเร็วกว่าความเร็วสูงอ่ะเอาร้อยกิโลเราสองเราเอาวิ่งเชียงใหม่เจ็ดร้อยกิโเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสชั่วโมงเนี่ยคิดมายี่สิบสามสิปีแล้ว เมันเสร็จไหมเนี่ยตรงแค่นี้ยก็คิดสร้างทางแค่นี้มันยังยังช้าขนาดนี้อยูอยนนน่มัข น, นาดทางแค่นี้มองเห็นอยู่เนี่อยๆก็ไปไปมาๆกนันอยู่ก็ไม่ไกลยยกันมันเท่าไหร่ยิ่งคิดมาตั้งม่รู้เท่าไหร่ไม่ง่ายเลยอนะ่ะฉะนั้นถ้าเรามองเส้นทางการยาวนานในการที่จะสร้างบารมีของท่าอนะอันนี้แปลว่าไงพออสศงไขเล็กเนี่ยเสียสงไขเล็กหนึ่งมหากับ ก็แปลว่าแสงก่อจักรวาลในจักรวาลทั้งหลายโลกมันแตกดับมันได้ไฟบ้างได้น้ำบ้างได้ลมบ้างก็ว่ากันแบแต่ในสุดก็คือแตกดับแล้วมันก็มืดแล้วมันก็เกาะตัวขึ้นมาเนี่ยนะในโลกางหนึ่งหนึ่งนี่จริงๆเป็นหนึ่งมหาเก่าเนี่ยในหนึ่งมหาเก่าก็ไปตั้งใหม่แล้วก็เลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสีิบมันก็โนกแตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายกับโลกหนึ่งกระสมไข่ สองรอบกับสองะสนุนไขนะครับอันนี้คิดในใจเจ็บใช่ไหมนี่ไงนี่ไงเส้นทางของทรานความยาวไกลของท่านที่ท่านต้องการพุทธทางส ร, านางระนังพระฉายที่เราจะได้เอ่ยคเนี้เอ่ยคำว่าพุทธทางสระนังพระฉามนี้พระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรนะักเป็นที่พึ่งเป็นเคพื่อนบำเจริใจได้ยินตลอดชีวิตเนี่ยแค่เราจะได้ยินคำคำนี้เนี่ย ร อ, อยาวนานมากมากที่สัตว์มีบุญนีนนนย่ยนั่งๆกันอยู่เนี่ยได้ยินเขาสวดพุทธทงทังสรนังกระามีด้วยได้ยินคําว่าทำมังสรนังกระฉามีด้วยได้ยินคําว่าสังฆังสารนังกระามีด้วยใช่ไหมได้ศึกษาเรื่องราวของท่านได้ศึกษาพระธรรมของท่านแล้วได้เห็นปฏิบัตทาของสังฆาของท่านโอ้โหแล้ว บุญไม่เทีย่ยงใช่ไหมบุญนี้ไม่เที่ยงหรอกตาไม่รู้จะบอดเมื่อไรหูไม่รู้จะดวมเมื่อไรลิ้นไก่ไม่รู้จะสั้นเมื่อไรไม่รู้จะแข็งเมื่อไรยังไม่รู้จะสวดได้ใช่ไมไหมบางท่านไปนำมภาภาสอยากสวดแล้วเออคุณทําเดินสวดไม่ได้ปังงาปังงาเราไม่เคยเห็นอาถาพวกนี้ไงไม่เคยมาคิดไงถ้าเราคิดอย่างเรมาคิ ด, ค ด, ค ด, ค ด, คดขึ้นคิดยังไงนะสมมตินะถ้ามาไปเห็นเนี่ยเราจะเจอจะ ตอนมีชีวิตอยู่ไม่ยอมอย่าสวดจะเอ่ยพุทธธรรมนันนิษฐมุ่ง อ, ง, งอยู่เลยนี่ก็แล้วแต่นี่นะคือคือโอกาสจะสวนเะนี่ยแทบจะไม่มีกันอยู่แล้วนะจะพูดกันตรงๆเลยนะถ้าจะไม่เหลือน้อยแนละ้วเราไปนั่งนะับที่ว่าอายุที่เหลือเราจะได้เกิดได้เอ่ยพระนามพระพุทธเจ้ากี่กี่ครั้งยังไป น, นัางที่อา ย, อยุเลยวันนี้จะได้ท่องกี่คาจะได้ถึงพระพุธทธเจ้าที่โลกิยะเราไม่แน่นอนเลยอยู่ิงไห ไอ้ตรงนี้มันมันมันก็ต้องไปไข่ด้วยโดยพิจารณาไม่รู้จะเลกนเอ่ยกี่คำกันรู้นะเท่าไหร่เท่าแล้วก็ตางกันแล้วไปชาติหน้าถ้าเป็นอาภัยศัเราจะไปสวดยังไงเนี่ยลองเห็เคยเห็ น, นเขาชมนมกันสวดมนต์มก็ไม่เคยเห็นเลยโว่าเคยเห็นไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่เห็นเา่สวดมนต์น แ, แต่เขามีแต่ชมนมในการที่จะติดขอ้องในวัตุกรรมแย่ง ก, กันกัดกันก็นมีแค่นั้น ก็มีอะไรกามาสัญญามาณสัญญาใช่ไหมก็มีการคู้ทครองการเกิดการกัดกินแะการวางไวแค่นันศาสตร์มีแนั้นดมีสามารถสัญญาได้อีกยุงเว้นผู้บริษัทเอาไปสิทีนี้แล้วเราได้จ้างบริษัทเพื่ใจก่อาทำให้ได้จ้างเขาอีกก็ยุ่งมี่อะไรอย่างเงี้ยฉันต้องคิดเลยตรงนี้ต้องคิดต้งตือนต้องให้ก่อนนี่คือเจ็ดในในในเจ็ต่อมาก็คือเปล่งวาจาเพราะว่าเปล่งวาจาก็เริ่มตั้งแต่นี่แหละสัมผััอางไ ในสัพพพระเจ้าสงขายก็เริ่มตั้งแต่โุราณาสะพญมุนีเป็นวาจาต่อหน้าพระพักแต่ไม่พยากรณ์เพราะรัตว์แ น, นะนําได้แต่เต๋าว่าเปไ ป, ไปเปล่งต่อหน้าหน้าพระพักเลยในขังน้งแรกแต่ท่านจะเรียกว่าแต่ท่านก็ได้จะบอกวิธีการจะสร้างแบเนี้ควรจะสร้างยังไงยังไงแค่นั้นเองท่านไม่บอกใช่ไหมถ้าเร็ยนเราจะเปล่งใช่ไหมเปล่งก็ต้องรู้แววพระนิลเกิดพระเจ้า แล้วแล้เปล่งแล้วข้าพเจาเปล่งแล้วขาพเมั่นใจแล้วขาพเ้ากล้าพูดแล้วขาพเจไปกลับครับแล้วเพราะาเจ้ามีสัจธรรมบารมข้าพจ้มีอิฐานบารมีขาเจ้ามีปัญญาบารมีขาพมีศรัทธาในการที่จะเป็นพระยา่ในจำลองอย่างนั้นนท่านก็เปเปท่านก็เป็นในยกรณ์ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดไม่พยากรณเลยเนี่ยก้าวสงไข่วจีปณิธานเนี่ยก้าวสงไข่วมเพ็นบารมีมาผ่านพระยามาสามแสนแปห่ เจ็ดพันบอกไม่ยอมไมะะ่ยอมกอนเลยก็ลองคิดดิถ้าเราไปขอร้องใครเข้าไปหาใครเราไปถึงสิบครั้งไม่กล้าไปถึงสิบครั้งป็นเจ๋งหมดบอกไปพูดถ้าเขาไม่เชื่อเราแล้วเนี่ยใช่ไหมหรือเขาไม่ได้เชื่อหรือไม่เชื่อเด็กเขาเฉยๆเรายังกล้าจะยืนยับนบันทิงานไห ว, ว่าเรายังคงมั่นคงใช่ไหม ตรงนี้เราก็จะได้ดูว่าอันนี้อีกเก้าก็เริ่มตั้งแต่เนี่หลสัพพะพัะสัพพะคุณราสัพรัตนะอุสพะขันธะมานิพัทธะสงขัยปทุมะสงขัยอุสุพะสงขัยขันทุกตมะสงขัยแล้วก็สัพพะมาราสงขยก็ผ่านพระเจ้ามาตามลำดับตั้งแต่ห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นสองมื่นหนึ่งมื่นห้าันสันรวมเบ็ดเส็จทั้งทั้งมโนทั้ง กว่าจะ16นี่ไงนี่คือเส้นทางในสังสารวัตที่ท่านดำเนินหรือท่านบรรลุในด้านของ16ะสุภัยต่อมาก็เดินมาผ่านตัณหังกวเมนังกรจะนังกรก็ยังได้ละเพราะยังไม่เต็มตรงนียถ้าเราศึกษานี่เริ่มศึกษาในตัหังความเมังกระนาังกรบอกยังไม่เต็มจนกว่าทีตัณังาะนังกรโเต็มลองคิดดูที่ว่า พอมาถึงประทบังควสัมาสัมพุทธเจ้าเขาบอกว่าเต็มนะเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วพอพระพุทธเจ้าพระทีบังควาสัมาสัมพุทธเจ้าเห็นเนี่ยเนี่ยชื่นหน่อกุฏากุลนี่หนอกหอบมาแล้วโอ้โหโผลมาแล้วน่าชื่นใจมากหนอกุทฏาเนี่ยพระเจ้าอยู่เคารพเลยพระเจ้าวิสาวกพระเจ้าอยู่เคารพเลยทำประทักษิณเลยดอกไม่บูชาเลยเห็นไหมคนตาดีทั้งหลายก็พาันบูชากัน ควาอไม้เต็มไมี่คือเขาเห็นหนอพนก็พิจารณาอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะได้เห็นคุณของพระเจ้านะช่วงในการที่เหลือประมาณสินาทีเดี๋ยวเราจะเลยพุทคุณธรรมคุณารคุณเนี่เพราะว่าเรื่องมีปัญหาเลยจะถามหลวพ่บถ้าเคมีจะถามแลวงพอให้ยิงทอดถามมากไม่ได้จะตอบไม่ไดทางนั้นตั้นั้นมองันนะ นโมทัสสะบากขวัตโออะระหัตโอะสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะบากขวัตโอะอะระหัโอสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะวโอะระหโสัมมาสัมพุทธัสสะตัณหังราวิโร เมตังกรุณมหายโสส n รังการุณลกไ t โตทิพังการุณจุติเนโรตุนตัญโฌนภาโมโขมังการปุริสัสะโคสุมาโนสุมโโร เรวัตตุระติวัคโนสกิโตภูนาตัมปันโนอโนมาทศีชนุตตาโมปะุโมโลกะัะโชโตนาราโดวราสารีปะุมุตตาโรสัตตาสารโรสุ ติป ok At ุโลสุชาโตสพโลกโปิยทสีนราสะโอัตถทสีกาบิโกดัมมาทสีตโมโสิทธโอสโโลเกติโสจวะตังวโร ุทโธจวารดทวิปัสสีจอนุปุสิกิสาภโตสั a เมสพุทสุขายะกกัสันโสัถาวุโกนะขมโนรนตัสสิสัมันโน โคตโมสักยาคงกัวติต่อไปสวดมนมีทานาป So. Thank wow. you. w o n h เราได้ฟังคาสาทายคำเจตคติคำมีศรัทธานนในคุณของพระผู้มีพระภาคนอกนอนในการที่จะบุธส่วนผุษบุให้การสฏิสังหารท่านเหล่านั้นได้อนุโยทานจนที่เกิดขึ้นจะเราด ล, อ ด, ล, อ, ดลอดเวลาเนาะช่วงเบ็กไม่ต่างบุษบ เ, เกิดหรือเปล่าแต่ก็สมมติว่าเกิดก็ได้ไหม ก็เนีเนี่ย น, นะน้องผู้ส่วนที่เกิดขึ้นก็ผู้ส่วนและจิตเกิดขึ้นมาแม้ขนาดจิตหนก็มา ม, มองโหสานมโหลาแลนะ้วปริมาณน้องผู้ส่วนมากนะน้องูอง้ที่ส่วนผู้สนะครับนีก็สัตว์สัตว์สัตว์หลายชนิสัตว์นนะทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุตที่ข้าเจ้าได้ทำแบบนี้และแห่งบุตรอื่นที่ได้ทำไว้ขอ คือจะเป็นสาตวหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่มนมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นเช่นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสาตหล่าอื่นซึ่งเป็นาการกลางหรือเห็นผู้เว็นการก็ดีสาท้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในปุ่กน้ำสาม อยู่ในกรมเนอทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีสัตว์ราดรู้สว่วนหน่ที่พรเจ้าแก่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงว่าขัโมก น, นาอกเองเกิส่วนสัตวเาใจัะไมไ่รู้สว่วนนี้นเพราเหตา โบอกสัตว์เหล่านั้นไม่รู้ด้วยเพราะเหตที่ได้อานุโมทนาสมบูรที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ววาทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงวันทั้งเสง่์ล่าวดีนั้นค่ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสาเร็จเกิดเสร็จ บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในแบบนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลอุตรักษาก้าในการดีถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัตาสงสารขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในประเทศพันสมควร ได้พบกายานิชได้ฟังพระสัทธรรมและปฏิบัติธรรมตามควรเกีาและไม่เข้าถึงาขานะแห่งวาอัสสิแตกาาาจาราพระเจ้าไม่จับเพลิงยิน ด, ดีในการรักษาศีลไม่เกาเกี่ยวในการมามมกุณท่าห้าเพึ่ง เ, เว้นจากเผือบตรงกลางขอให้พาาาระเจ้าเป็น ที่จีชั่วตึงไปต่อบด้วยที่จีที่ดีนามให้ถึงพรบมิชั่วตึงพขาแก่ปรญญิทุ่มเมือ่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นหมอกเกิดแห่งคุณคือสทาทาักคาสติลิยุริเอตาปะความเพียรและอานติตึงเป็นผู้ที่สัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนหลงงงงายขอให เป็นผู้ฉลาดในอุบายความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลในอัดและลางขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในทาที่ควรรู้เดิลมลงพักไในอากาศเชนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สาเร็จโดยง่ายดุเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้ ทรงมีแต่ข้าพเจ้าทุกทุกภพเมื่อใดข้าพเจ้าผู้สแสดงความเพื่อนพนทุกขเกิดขึ้นแล้วไหนโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้ารับจากการมช่้าช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้ป่าทะลุไป ข, ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรดาชาติโดยสมบูรณ์แล้ว เป็นคนรักศีลมีศีลทองไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสนาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวก้าจะรู้ได้ทางกระทำให้แจ้งซึ่งอาราตะโอนังเลิร อ, อันพระด harma ทองมีวิชาเนต้นหน้ า, าพระพุทธเจ้ารังได้กังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของพระพระเจ้าเป็นเปลี่ยนแล้วขอให้พระพระเจ้า ได้ยาเป็นเครื่องตัดสูุเะพาะตนาสูงสุดเอสาก็คอยเป็นปัจจัยการตัดสู้ในอนาคตใกล้เเลยต่อไปก็กราบถาหรือมีอะไรก็เจอไม่มีนะจะมีอะไรแจ้งอระหังสมมาสมุโดอะตราวะภูตัง สวัสดีภะคะวะโตภะคะะโมธมนสีสุขาริปปนโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆส